เรื่องเทวดามีจริงโดยคุณหลวงเทวดาเสด็จลงมาต้อนรับและอนุโมทนากับหลวงตาวันนั้นเป็นวันจันทร์ที่28เมษายนพศส5 5 1ผมและพี่กรมพร้อมด้วยคณะจิตกรเพาะช่างอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด คณะจิตกรมีจำนวนสท่านคือคุณปัญญาคุณสุนทรีอามและหนิงทั้งหมดจบการศึกษาจากสถาบัานเดียวกันรุ่นเดียวกันต่างคนต่างมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานตามด้านที่เรียนมาทุกคนล้วนมีอายุเลยวัยเบญจเพศใกล้วัยขึ้นต้นด้วยเลขสแล้วทั้งปัญญาและสุนทรีพบกับผมที่วัดป่าบ้านตาดขณะที่ผมพาคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปทางานหนึ่งอาทิตย์ เพื่อเตรียมทำหนังสือที่จะจัดพิมพ์ในปีพศ2552ซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นหนังสือประวัติของวัดป่าบ้านตาดซึ่งต่อไปวัดเช่นนี้จะหาได้ยากยิ่งทั้งสองคนนั่งสงบเงียบอยู่หน้ากลุ่มพวกเราไม่พูดคุยกันเหมือนผู้รักษาศีลแปดอย่างเคร่งครัดสายตาที่มองคณะนักศึกษาปฏิบัติงานเหมือนผู้ที่รู้เรื่องงานเขียนอย่างดีจึงได้สอบถามจนได้ทราบประวัติความเป็นมา ผมจึงได้ชวนให้เข้ามาร่วมทำงานด้วยกันเพื่อถวายหลวงตาในการบันทึกเรื่องราวของวัดจะเป็นเพราะถูกชะตากันหรือเป็นเรื่องของธรรมชาจัดสรรเราได้ติดต่อกันเรื่อยมาและทั้งสองท่านได้รับมอบหมายเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กนักศึกษาเพาะช่างที่จะต้องมาเขียนภาพเพื่อจะนามาจัดพิมพ์ในหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มที่สองและสาทั้งสองตอบตกลงด้วยความยินดีและดีใจอย่างมาก ที่ได้ทำงานในด้านที่ตัวเองถนัดร่วมกับน้องๆถวายหลวงตาจากนั้นผมได้ขอให้ทั้งสองท่านทำงานที่ท่านชำนาญคือการแกะสลักรูปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยให้แกะสลักท่านเท้าจาตุโลกบาลทั้งสี่เพื่อจะนำไปถวายพระเทระผู้ใหญ่เพื่อปกป้องคุ้มภัยประเทศทั้งสี่ทิศได้แกะตัวอย่างมาให้ดูแล้วสวยงามมาก ผมและพี่กรมตั้งใจจะขึ้นไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อพาจิตตกรไปเขียนรูปและถือโอกาสคอยรับหลวงตากลับเข้าวัดเพื่อฉลองกุฏิใหม่อย่างเงียบๆหลังจากที่ผมและพี่กรมได้ใส่บาทรับใช้หลวงตาและรับพรจากท่านในเช้าวันอาทิตย์ที่27เมษายนพศ2551ที่สวนแสงธรรมแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกันทั้งคณะซึ่งมีอยู่8คนตั้งใจให้ถึงอุดอรในตอนเย็นของวันนั้นค้างหนึ่งคืน รุ่งเช้าใส่บาทและลงมือเขียนภาพสเก็ตให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่หลวงตาจะถึงวัดเวลาประมาณบ่ายสามโมงกุฏิของหลวงตาได้รับการปรับปรุงมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3าขยายขึ้นเพื่อให้ท่านขึ้นลงได้สะดวกโดยการยกกุฏิหลังเดิมให้สูงขึ้นเพื่อใช้ชั้นล่างเป็นห้องนอนห้องน้ำระเบียงและทางเดินจงกรมเหมือนเดิมทุก ป, ประการ ทำโดยทีมพระที่มีความชํานาญเรื่องการก่อสร้างและได้ระดมพระจากหลายวัดในสายอีสานมาร่วมทําบุญก่อสร้างมากมายทุกองค์มาด้วยศรัทธาและเคารพในหลวงตาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเมื่อได้ทราบข่าวว่าจะมีการปรับปรุงกุฏิของหลวงตาใหม่พระทุกองค์ให้ความสนใจและรีบมาร่วมแม้แต่พระบางองค์ที่อาพาธอยู่และอยู่ในระหว่างการพักฟื้นถึงกับถอดสายน้ําเกลือออก และมาเข้าร่วมทำงานโดยไม่ยอ่อท้อเอาบุญของการทำงานถวายหลวงตาเป็นธรรมโอสถจุดประสงค์ของทุกคนก็เพื่อที่จะถนอมาธาตุขันของท่านซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของทุกคนเพราะท่านอายุมากเกือบเต็ม95ปีแล้วมีบรรดาลูกศิษย์เก่าแก่ได้เสนอตัวที่จะสร้างกุฏิให้ท่านใหม่โดยการรื้อกุฏิหลังเก่าออกแต่ท่านไม่ยอม เพราะไม่ต้องการความเอกเริกจึงได้มอบให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและคณะสงฆ์ในสายวัดป่าเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงโดยเริ่มต้นทันทีที่ท่านลงกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่11เมษายน2551มีผู้รู้ต้องการให้ท่านเปลี่ยนกำหนดการเดินทางไปกรุงเทพเป็นวันอังคารที่8เมษายน2551แทนวันที่11เมษายนที่ท่านกำหนดไว้เดิม ด้วยเหตุผลว่าจะไม่มีผู้คนเข้ามาทำงานในช่วงที่เป็นเทศกาลสงครานเกรงว่างานกุติของท่านจะเสร็จไม่ทันกำหนดแต่ท่านยืนยันความตั้งใจของท่านที่จะลงกรุงเทพตามกำหนดเดิมอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงทันทีที่ท่านออกเดินทางจากวัดป่าบ้านตาสู่สวนแสงธรรมที่กรุงเทพทั้งพระและบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายพร้อมใจกันมาร่วมแรงร่วมศรัทธาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน มีคนเข้ามาร่วมการซ่อมแซมก่อสร้างวันละเป็นร้อยเป็นพันคนตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยตั้งจิตมุ่งมั่นขอมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ขอให้ได้มีโอกาสขุดดินตักทรายขนปูนทำงานทุกชนิดโดยไม่เกี่ยงต่างช่วยด้วยความจงรักภักดีศรัทธาทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจโรงทานก็หลั่งไหลเข้ามาบริการไม่ว่าจะเป็นน้ำปานะไอศกรีมกาแฟเครื่องดื่มทุกชนิด ทุกใจล้วนมุ่งไปที่องค์ท่านผู้เป็นเบ้าหลอมรวมดวงใจของบรรดาสิทธ์ทั้งหลายผมไม่เคยเห็นปรากฏการเช่นนี้มาก่อนงานเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็มีแสงไฟส่องสว่างเพื่อให้งานก่อสร้างดําเนินไปได้ไม่เห็นเป็นอย่างที่ผู้รู้อ้างว่าจะไม่มีคนมาทํางานจะไม่สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้เพราะเป็นช่วงเทศกาลตลอด18วันเต็ม มหากรรมการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกดำเนินต่อเนื่องมาตลอดแม้จะเป็นเพียงงานซ่อมกุฏิหลังเล็กๆแต่ก็เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือหวังจะถนอมธาตุขันของท่านให้ยืนยาวไปอีกนานแสนนานในวันจันทร์ที่28เมษายนพศ2 5 5 1ก่อนที่หลวงตาจะมาถึงวัดป่าบ้านตาดเพียงไม่กี่นาทีการติดตั้งอ่างน้าในห้องน้าเพิ่งเสร็จ งานทุกอย่างปราณีตหาที่จะตำหนิไม่ได้แม้กระทั่งเซียนไม้ก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ในซอกในหลืบฝุ่นผงแม้เพียงนิดเดียวก็ไม่มีงานทุกอย่างกลมกลืนไปหมดด้วยความถี่ท้วนที่ยากจะบรรยายได้เพราะทั้งพระทั้งสิทธิ์ไม่ได้ทำด้วยฝีมืออย่างเดียวแต่ทำออกมาจากจิตวิญญาณด้วยความเคารพและศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์จนหมดหัวใจ คนหลังน้ำตาด้วยความปลื้มปีติที่เห็นผลงานอันเกิดจากแรงศรัทธาของตนเพื่อต้อนรับการกลับมาของหลวงตาผู้เป็นอริยสงฆ์พระอรหันต์ของพวกเขาทั้งหลายต่างคนต่างใช้ผ้าที่ถือติดมือรูปลายเช็ดถูตามที่ต่างๆในกุฏิแม้จะไม่มีฝุ่นละอองหลงเหลืออยู่แล้วก็ตามเช็ดด้วยความปลื้มปีติด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของที่ทำถวายไว้ให้พ่อแม่ครูอาจารย์ของเขาทุกชีวิต ออสแม่ของนุ่นเป็นหญิงเลยวัยกลางคนตัวเล็กๆหน้าขาวๆใส่แว่นตาขาวใสเดินถือขันไปทุกซอกมุมรอบศาลาที่สวนแสงธรรมทุกเช้าในขณะที่มีคนเข้ามาถวายอาหารแด่หลวงตาก่อนเวลาที่ท่านจะให้พรและก่อนท่านเทศตอนค่าออสจะเดินตัวรีบแทรกเข้าไปในกลุ่มคนเพื่อขอให้มาร่วมทาบุญสร้างกุฏิใหม่ของหลวงตาอยู่ตลอดเวลาอออยากบอกทุกคนให้ร่วมบุญสร้างกุฏิตลอด 8วันที่หลวงตาอยู่ที่สวนแสงธรรมเธออาบเหงื่อชุ่มทั้งตัวเดินบอกบุญท่ามกลางความอบอ้าวของสาราที่มีคนแน่นขนัดหลายคนอาจเห็นว่าออสเป็นผู้สร้างความรำคาญบางคนไม่อยากจะทำบุญบางคนมองเห็นเป็นการรบกวนหลายคนมองเธอด้วยสายตารังเกียจหลายคนทาเป็นไม่เห็นแซงมองไปทางอื่นเกรงว่าคนถือขันจะเวียนมาถึงตัวเองผมเองก็เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน วันหนึ่งผมอดใจไม่ได้หลังจากที่ได้รู้จักกันแล้วจึงถามเธอตรงๆว่าออสเลิกถือคันรับเงินได้ไหมหลายคนมองออสในทางที่ไม่ดีคนที่เขาจะทำบุญเขาก็ไปเข้าแถวเอาเงินไปถวายกับหลวงตาเองนั่นแหละออสมองหน้าผมนิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆอธิบายให้ผมฟังว่าคุณหลวงคะคุณหลวงเห็นคนเข้าแถวเข้ากราบหลวงตานาเงินและทองคาถวายโดยตรงให้กับหลวงตา คนละพันคนละหมื่นทองคนละบาทสองบาทแต่คุณหลวงเห็นไหมว่าคนที่ร่วมทำบุญกับหนูด้วยเงินเพียง1 0บถึงบาทแม้กระทั่งเศษ ส, สตางค์ที่มีอยู่คนเหล่านั้นเขาไม่อาจที่จะไปเข้าแถวกราบถวายเงินให้หลวงตา<ๆ>เช่นเดียวกับคนอื่นๆได้เพราะแต่และคนมีฐานะความเป็นอยู่ไม่เท่ากันบางคนมีฐานะเพียงแค่พอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้มีความต้องการอยากจะทาบุญตามกาลังความสามารถของเขา คุณหลวงเห็นเขาเอาเงินขึ้นมาจบก่อนที่จะวางลงในขันด้วยเวลาพอสมควรไหมหนูอยากจะเป็นคนที่เป็นตัวแทนนำบุญของเขาเข้าไปถวายแด่องคหลวงตาหนูจาเป็นต้องทำทั้งเขาและหนูก็อยากทำบุญด้วยกันทั้งนั้นแหละก้นขันของหนูมีเียสตางค์จำนวนมากนะ <S <S ผมฟังออสอธิบายในยสภาพที่ตัวออเองก็เหงื่อโทมกายผมเห็นด้วยกับออส ท, ทันทีและเพิ่นเข้าใจออสคนถือขัน และอนุโมทนาในความตั้งใจของเขาทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกับออสในการสร้างกุฏิถวายหลวงตาผมมีความเพลื่มใจและเกิดปิติจนน้าตาไหลออกมาไม่รู้ตัวขณะที่ผมเห็นกุฏิหลังใหม่ที่สร้างเสริมจากหลังเก่าภาพคนขณะกําลังจบเงินใส่เงินลงขันและใบหน้าขาวขาวของออสพุทขึ้นมาในความคิดชัดเจนผู้แววได้ยินแม้กระทั่งเสียงอธิษฐานของเขาทั้งหลายผมอนุโมทนาในความตั้งใจของพวกเขา ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกุติของหลวงตาแม้เขาเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสมาร่วมขนอิดหินดินทรายด้วยมือของเขาเองนับเป็นบุญของพวกเขาอย่างยิ่งผมมีผ้าผืนเล็กๆร่วมเช็ดถูทุกซอกทุกมุมไปพร้อมกับคนอีกนับร้อยไม่ต้องการให้มีคราบฝุ่นสิ่งสกปรกหลงเหลือติดไปในกุติหลังใหม่ทุกคนต่างหวงแหนผ้าที่ใช้เช็ดกุติของหลวงตา เก็บเอาไว้บูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์เอาไว้คุ้มบ้านคุ้มเรือน